จะเป็นใา้ทำยาติดต่างคนแต่สบายดีใช่ไหมก็สบายดีนะมานีได้ไม่ต้องไม่ป่วยป่วยเป็นนิดนิดนิดหน่อยมาก็ป่วยบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังพอมาได้พอพูดได้นะจีอาการทางกายนะเราก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกโรอไปให้เจ็บ มันก็เกิดกันได้ทุกคนะนะแหละนะเหมือนมือสกุลนี่มีเดี๋ยวมาเลองใีกฟังนะมียาตเนาะเสียชีวิตสองคนซ้อนะคุณแม่ก็หนึ่งนะอตอนวนอทงคารนะเส็ยลูกชายเสียชีวิตเขาสตุ้ดรชนตายพอหันศุก์ลูกสาวอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเขา้ามะเร็ง ถ้าเราเป็นแม่คนนั้นจะทุกข์ใจนหะมไฟไหมเพียงแค่สามสี่วัน 4, นะลูกลูกสองคนเสียชีวิตนะติดติกันต้องต้องขอบใจนะต้องดูแลคุนแม่ที่ลูกเสียชีวิตพอสมควรเลยนะถ้าเป็นเราแล้วก็อาจจะลาบากเหมือนกันนะใช่ไหมลองถามตัวเองดูว่า ถ้าเป็นเราเราจะทุกมากหรือเปล่าอืมทําใจได้หรือเปล่าถ้าลูกต้องมาเสียชีวิตติดติดกันนภายในระลาไม่กี่วันนะเราจะทําใจได้ไหมอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พิยายใช่ไห ม, ม, ม, มหรือสมัยพุทธกาลนะนางปฏิจจารานลูกสองคนเสียชีวิตสามีก็เสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตน้องชายเสียชีวิต ติดติดกันนะวันสองวันเป็นบ้าเลยเป็นบ้านะเพราะความทุกข์ที่ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความพัดผ้าสูญเสียนี่ก็เป็นเป็นความทุกข์ที่เราหนีไม่ค้นเราในที่นี้ก็ทุกคนใช่ไหมไม่ว่าเราจะเกิดมาสติ ป, ปัญญาดีขนาดไหนหน้าที่การงานหรือว่า ฐานะดีขนาดไหนจะรวยจจนเนะมีไม่พ้นความพะเพสูญเสียซึ่งที่เราโศกเรียกมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่จริงในชีวิตเราแม้ไม่สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะแต่เราก็ประส บ, ะสบความทุกข์เช่นประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจใช่ปารธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไงเจอไหม <c oughs> ในที่ทำงานนะ่ะอืมเพื่อนร่วม ง, งานไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการแม้แต่เป็นเจ้าห น, น้ายี่มีอำนาจบางทีเราลูน้องก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมอย่างนองคับไม่ได้นะในบ้านเองลูกไม่เป็นอย่างที่เราคาดการคาดหวังเนะี่ยก็เป็นความทุกข์นะอืืมออันนี้คือในชีวิตเราอ่ะต้องเจอกับความทุกข์นะต้องเจอกับความทุกข์ ทางกายบ้างทางใจบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้เพราะพระ เ, เจ้าเขาเลสอนเนี่ยเรื่องเรื่องวิธีที่จะทําให้เรารัเหมือกับความทุกข์พนะพุทธศาสนาเร า, า จ, จะพูดเรื่องทุกข์เยอะนะบางทีก็ฟังหนูมันมันเครียดมันไม่มีความสุขพูดแต่เรื่องทุกข์ชีวิตมันทำไมมีแต่ทุกข์ขนาดนี้แต่จริงไม่ใช่เป็นการ พูดหรือว่าเป็นการมองชีวิตในแง่ลบนะแต่เป็นการพูดความทุกข์เนี่ยคือความจริงความจริงหรือเมื่อที่มาพูดเมื่อตอนแรกอะถ้านเกิดกับเราเราจะทจําแต่ได้หรือเปล่าหลายคนไมไ่ค่าคิด <c oughs> แค่คิดก็แบบจะทุกข์ละไม่เลยไมไ่ค่าคิดต่อไมไ่ค่าคิดต่อแต่จริงการที่เราได้ฟังเรื่องหัวนี้หรือคิดเรื่องเนี้ยมาทําให้ชีวิตเราไม่ประมาทนะ ใช่แต่บางคนพอเรากลัวอะไรเราจะไม่กล้าคิดในธมนั้นเช่นถ้าลูกเราตาย เ, ยเราจะไม่กล้าคิดพอพอไม่กล้าคิดพอมันเกิดขึ้นอ่ะมันจะทุกข์มากแต่ถ้าบางอย่างที่เราคิดเผื่อไว้บ้างเนี่ยมันจะทำใจได้คนละจากไปของที่มันนะเคยมีแล้วมันหายไปเนี่ยถ้าเราคิดไว้ก่อนสักหน่อยเนี่ย มาเป็นไปดได้ทั้งนั้นแนหะพอมาเกิดขึ้นจริงนะทําใจได้ทำใจได้ให้ดีอันนี้คือคือเรื่องความทุกข์นะที่เรามาเรียนรู้แต่ใ น, นที่จริงมันก็เป็นความทุกข์ที่ที่เราเลือกไม่ได้นะในเหตุปัจจัยข้างนอกแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเรียนรู้ว่าเราจะวางใจกับเหตุการณ์ที่เราเจออย่างไรแล้เนี่ยนะสําคัญกว่า การวางใจในเหตุการณ์ที่เจอคืออะไรเช่นมีคนมนดาด่าหรือมีเรื่องที่มันทําให้เกิดความขัดใจเราสามารถมีสติรู้เท่าทันมันได้ไหมเราสามารถตั้งสติในเหตุการณ์นั้นๆได้หรือเปล่ามีข่าวญาติน้องสูญเสียเราสามารถตั้งสติได้หรือเปล่านี่คือเป็นการวางใจในท่าทีในการรับมือกับ ความทุกข์ที่เราไปเชิญเราไปหาหมอหมอบอกว่ามันเป็นมะเร็งนะหลายคนเหมือนโรคมันอะไ ร, โ ร, โ, รโรคมันเบอเบอร์ไปหมดเลยนะมีหมอคนหนึ่งเราใ น, นะเขาก็เป็นหมอตรวจคนที่เป็นมะเร็งเยอะมากพอวันนึ่งไปหาหมอบ้านหมออีกคนบอกว่าเต ง, ง, ง, เ, <c oughs> ง, งเป็นมะเร็งงงเลยตอนที่เ็ง อยู่กับการรับสารว่าเองก็เยอะนะแต่พอตัวเองเป็นจริงๆก็ก็งงในชีวิตเหมือนกันเหมือนเราได้ยินข่าวเหตุการณ์คนนั้นคนนี้ตายเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆเราดูสึกธรรมดาเนาะแต่พอวันหนึ่งเกิดออกับเราจริงๆเนี่ยเราตั้งรับได้หรือเปล่านี่คือคือเรื่องที่ถ้าเราได้ฝึกเนาะได้ฝึกมาก่อนนะได้เตรียมตัวมาก่อนเนะี่ยเมื่อเราต้องเจอเนะี่ย มันจะทำให้เรายอมรับมันได้แล้วก็เรียกว่าหรือมันยังไม่เตือ น, นะถ้าเราฝึก ด, ดีๆมันจะรู้สึกเลยว่าจะเป็นก็ได้ไม่เป็นไรเห <c oughs> มือนเ ม, มื่อปั้เนี่ยมีมีโยมที่เัเเนะ่เป็นมะเรง็งแล้เสียชีวิตเนาะก็รูกมาให้ดูเป็นมะเร็งโง่จมงูก็ ก็มีเนื้องอกออกมาที่ใบหน้าใหญ่หน้ากลัวอาตมาเคยพูดนะอาตมาก็อาจจะเป็นเหมือนกันแหละก็เคยเป็นไซนัสมา ก, กนะ่อนเนี่ยปัญหาเรื่องจมูกเรื่องวัด น, นี่ก็เป็ น, นนะจจปนระจําเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็พอคิดว่าเอออาจจะเป็นไปได้นะถ้ามันจะเป็นจริงๆแล้วก็เออก็อจะรับได้นะแต่ถ้ารู้สึกไม่อยากเป็นเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยนะ แต่เราคิดมันอาจจะเป็นเราก็ได้ในอนาคตเนี่ยเมื่อมันเป็น่ะเราจะทําใจได้อนน้ก็คิดอย่างนั้นนะเป็นจริงๆแต่จะไขนาดไหนก็ดูอีกทีนะแต่นี้คือมันเป็นวิธีคิดเนาะเป็นวิธีคิดถ้าเราฝึกดีๆวิธีคิดมันก็จะทําให้เราอะไรมันจะเกิดขึ้นมากับชีวิตเราก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะที่จริงอื การใช้ชีวิตเนะี่ยเราไม่ใช่เราทําบุญเราทําความดีเรารักษาศีลเพื่อชีวิตจะได้เจ อ, เจอแต่สิ่งที่ดีคิดแบบนั้นไหมหรือพอจเจอเรื่องไม่ดีทําไมมาโทษเอ๊ะทําไมเราก็ทําดีกับเขาทําทบุญไม่ทําร้ายคนอื่นทำไมเราต้องเจอเรื่องไม่ดีด้วยเจอใช่ <c ười> คิดนะ ก็อะไรก็เราคิดผิดนะแต่การคิดผิดไม่ใช่ว่าเราเป็นคนผิดปกตินะอืมเพราะคนตัวใหญ่ก็บางทีพอเราจิตใจเราไม่มั่นคงพอแล้วก็จะไปเหมือนตัดพ้อต่อว่ากับโชคชะตา น, นิดหน่อยหรือบางคนก็มาก <c oughs> แต่ที่จริงถ้าเรายอมรับ ว, ว่าไอ้เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้ไม่ไม่สามารถเดาได้ว่าะจะเกิด แต่จเจอหรือเปล่าเราเรื่องไม่ได้หรือถ้าเราพี่มาดีๆนะเราก็ระเจ้าน่านจะเจอจะหนักเรานะเจอคนตามดาเจอคนตามฆ่าเจอคนมาใส่ร้ายป้ายสีเยอะมากนะจะไปอ่านรูปพระบวรก็ได้พระโมคค า, านะสุดท้ายก็าดนจนมาฆ่าตุ้กตายนะมาเนี่ยภาษาริบุตรนะเก่งลาดขนาดไหนนะ สอนคนอื่นได้เยอะมากแต่กนจะสอนแม่ได้เองได้นะ่ะตอนตันบ่ัยสุดท้ายก่อนที่จะเนรนิพพานปฏินิพพานเย น, น, นะคือไม่ใช่ว่าคนฉลาดขนานไหนก็จะสอนทุกคนได้บางทีก็มันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการได้ทั้งหมดเนาะแต่สิ่งถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราได้นะเมื่อเกิด สิ่งที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาเราจะวางใจได้นะฝึกสิ่งสาคัญฝึกให้เรามีสตินี่แหละนะแต่จริงฝึกให้มีสติไม่ใช่ว่ารอว่าจะเอาไปใช้ตอนที่เราเจอกับกา ร, ราพัดผาสูญเสียงนันหรอกนะฝึกให้เรามีสติตอนนี้ก็คือเราก็จะได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะในวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะ อย่างมีความทุกข์น้อยลงนะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะเราก็อยู่กับความทุกข์นั่นแหละแต่จะอยู่กับความทุกข์อย่างไรให้ความทุกข์มันน้อยลงเมื่อความทุกข์มันน้อยลงเราก็เราก็เรียงว่ามันส ba. ุขกล้าขึ้นนะสุขแต่ไม่ใช่แ่บสุขอย่าไปคาดหวังว่ามันจะสุขตลอดเวลาเราปฏิบัติธรรมนะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าเฮ้ยทาไมปฏิบัติแล้วมันไม่สงบปฏิบัติแล้วมันไม่มีความสุขอะไรเนี่ย ปฏิบัตถ้ามันไม่เห็นทําไมมันฟุ้งซ่านอันนั้นเราวางใจกิด น, นะต้องวางใจหมายว่าเราไม่ได้ปฏิบัติทำเพื่อเอาความสงบเราไม่ได้ปฏิบัติทำเพื่อเอาความสุขเราเราไม่ได้ปฏิบัติทำเพื่อให้มันไม่คิดนะต้องวางใจแต่เราปฏิบัติทำเพื่อให้เราอยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะ น, นั้นได้อืมเช่น ปฏิบัติธําแล้วอาจจะคิดแต่การมีสติจะทําให้เราเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่สงบ ม, มันจะทําให้เรามีสติเห็นว่าจิตมันไม่สงบไม่ใช่ว่าเราไม่สงบปฏิบัติธรรมแล้วแม้แต่ความสุขนะมันมีความสุขแต่ก็ไม่ใช่เราไปจมในความสุขมันจะทําให้เหมือนการมีสติจะทําให้เรา จิตมันพ้นออกมาจากสภาวะที่มันเป็นสภาวะที่มันเป็นก็คืออะไรคิดบ้างสงกบ้างฟุ้สร้างบ้างสุขบ้างทุกขบ้างอันนี้คืออาการที่มันเกิดขึ้นกับกายบ้างกับจิตใจบ้างแต่สติเนี่ยมันจะเป็นจิตอีกดวงหนึ่งที่มันพ้นออกมาไม่เข้าไปเป็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นในกายใจนะมันยังเป็นจิตเหมือนกันแหละแต่เป็นจิตที่ มันหลุดออกมาจากสภาวะที่มันปรุงแต่งตรงนั้นนะแต่การทางกายเนี่ยเราก็เลื่อนไม่ได้ น, นี่คือการมีสติไม่ได้ทําให้เราเป็นผู้เห็นหลวงพอเฮียบอกเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูนะถ้ะาภาษาแบบพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้พุทัะ ก, ก็คือผู้รู้สร้างตติก็คือการสร้างผู้รู้รู้อะไรรู้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละนะแล้วก็ พอเรารู้ทุกสิ่งไม่เกิดขึ้นในกายในใจไวๆมันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการของกายอาการของใจแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้เราจะไปยึดว่าอันนี้ยกายเราทุกกายเราเป็นนั่นเป็นนี่ใจมันไม่สงบใจเราไม่สงบใจเราคุ้งซ่านใจเราคิดใจเราเครียดแต่ถ้ามันมีสติจะเห็นว่าอ๋อใจมันคิดใจมันเครียดใจมไม่สงบ มันไม่เป็นไรนะมันจะเห็นออกมาเป็นเรื่องที่มันคล้ายๆเหมือนแบบที่บอกว่าเราได้ยินข่าวคนนั้นคนนี้ป่วยเจ็บตายเนี่ยทำไมเราไม่ทุกข์เท่ไหร่เพราะมันไม่รู้สึกสำคัญไม่รู้สึกว่าเป็นของเราแต่เมื่อไหรมันจะขึ้นกับลูกเกิดขึ้นกับญาติมันจะมีของเราตัวเราก็ไปเกี่ยวข้องอาการที่มันเกิดขึ้นในกายใจเนี่ยแหละเหมือนกันนะภาวนาไปมันจะเกิดว่าเออ มันเป็นอาการของกายการของใจไม่ใช่ของเรามันจะเห็นถูกตรงเนี้ยเห็นถูกตรงนี้การมีสติจะทําให้เราเกิดปัญญาตรงนี้นะอืมการฝึก ส, สติบ่อยๆมันจะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะปัญญานี่แหละมันจะเป็นตัวทําให้เราปล่อยวางนะปล่อยวางความเห็นขิดปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นเนนะสําคัญหมายว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเนะี่ยฝึกแบบนี้ มันจะเกิดผลแบบนี้เนาะฟังเอามาพูดก็เตีียวนะจบแต่ขณะที่ทำไม่จะจบตอนไหนไม่รู้นะจริงจิ๊กเอามาจะไปเทีเวลาเป็นหลายปีเป็นชาติแต่ก็ไม่รู้ชาตินี้จบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อยากให้คั่งใจว่า ถ, ถ้าเราเห็นว่าชีวิตมันต้องเจอกับความทุกข์ที่ต้องเงียนไหวประสบพบเจอเนะี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเออ เราจะฝึกตรงนี้เพื่อจะได้ลดการเว็ยนว้ายไปเกิดหรือลดความทุกข์จนทั้งมันพ้นจากทุกได้นะมาว่ามาจะนานเท่าไหรนะ่นัก็คุ้ม <c oughs> คุ้มน ะ, ะวันนี้ยังทำไม่ได้แต่ถ้าทาทุกวันมาว่าภายในหนึ่งเดือนนะหรืออย่างมากก็หนึ่งปีนะเราจะเห็นผลเห็นผลจต่การพัฒนานของเราชัดเจนจิตใจมันจะ เปลี่ยนแปลงให้เห็นผลชัดเจนมารู้สึกอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าถ้าต้องเจอเรื่องราวที่ต้องเจอกับวามทุกข์หนักๆในอนาคตมันก็เตรียมใจที่จะรับมือประมาันได้เนา ะ, นะเราก็ฝึกแบบนี้นี้ก็พูดให้เห็นภาพกว้างๆก่อนแต่ตอนนี้ถ้าก็มาพูดเริ่มใหม่ถึงเรื่องการฝึกจะทํายังไง <c oughs> เนื่องการฝึกก็ต้องฝึกสร้างสตินะสติจำเป็นต้องสร้างไหมใหม่ๆจําเป็นทําไมต้องสร้างเพราะจิตมันเคยกินกับความหลงเราก็เลยต้องมาสร้างความรู้มันมันกลับกันเนี่ยรู้กับหลงไปติ่นตรงข้ามกันจิตเคยกินที่จะหลงก็คืออะไรตัวใหญ่ก็คือหลงไปคิดนะหลงไปคิดหลงไปยึด อ่าเนี่ยคือจิตถองไปปรุงแต่งแล้วเกิดกูปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นอาตาัตมาเป็นมารนะอะไรต่างๆนี่คือจิตมันเคยกินกับตรงนั้นมมันเคยสร้างมาบ่อยๆเยราก็เลยต้องมาสร้างสติก็คือสร้างตัวรู้รู้อะไรรู้ตัวก็คือรู้กายรู้ใจรู้ที่ไหนรู้ที่ปัจจุบันมาสร้างตัวตัวรู้นั่นเองนะอืม มีหลายรูปแบบมากที่จะสร้างความรู้นะหนึ่งรูปแบบที่เรามาฝึกวันนี้คือฝึกสร้างความรู้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายใช่ไหรู้สึกนะแค่สร้างการเคลื่อนไหวให้จิตมันรู้สึกไม่มีอะไรมากกวนะ่นะเนี่ยกายเคลื่อนจิตใจเป็นผู้รู้เนี่ยดูละน่ดูไหม <c oughs> ลองคิดเลยนะ ต้องพิกมือรู้สึกไหมต้องคิดไหมว่าเราพิกมือน่าใช่ไหมมันเป็นรม่ว่าเป็นไเป็นพลังงานของกายมากที่มันมีการเคลื่อนนาแล้วก็ขนาดที่เราไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็รู้แล้ว มันก็รู้อนนี้แค่เนี้รู้สึกตัวตัวนี้นะอย่าไปคิดว่าดูคือแบบไหนต้องถอจิตออกมาดูร่างกายที่กำลังนั่งอย่าไปคิดอย่างนั้นขณะที่เราเคลื่อนไหวแล้วจิตมนรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนี่ก็คือรู้ละหรือเรานั่งอยู่แบบเนี้ย่ะจิตมันก็รู้สึกว่ากำลังนั่งอืหรือนั่งแล้วหายใจจิตก็รู้อยู่ว่าร่างกายมานั่งแล้วกำลังหายใจ นี่ก็คือรู้สึกตัวนะคำว่ารู้หรือดูก็คือนะร่างกายทำสิ่งในอยู่จิตใจก็รู้สึกชัดในอาการตรงนั้นว่ากาลังทำตรงนี้อยู่นะแต่ไม่ต้องแต่ไม่ใช่ว่าเราคิดว่า เ, เรากำลังยกมือคิดมือเรากาลังหายใจไม่ใช่นะแต่เป็นความรู้สึกที่มันมาก่อนภาษาเราแมนไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเราปิดมือนะแต่มันความรู้สึกนะ อเกตไหมรู้สึกอืมมัมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้จะทำอะ<บ>ไรก็แล้วแต่เหมือนเมื่อกี้เราสวดมนั่ะรู้สึกไหมปากขยับนี่ปากขยับมือพันนมืน่ะลองพันมมือซิรู้สึกปากรู้สึกนะไปยักหน้าก็รู้สึกนะอืมมือไว้ทั้งหลัง รู้สึกนะรู้สึกตั้งแต่ตอนมันเคลื่อนไปไว้ข้างหลังแ่ะมันอยู่ข้างหลังก็รู้สึกแค่ฟ้ะอ่ะกลับมาทุกคนมีความรู้สึกนะนะเพราะยเดี๋ยวเพราะรู้สึกเพราะเราอยู่ตรงนี้จะไม่ใช่นะแต่จริงๆแต่ว่าข้างนอกพอเราไม่ได้มาฝึกไม่ได้มาบอกเนี่ยเราก็ทําแบบตามตอนเคยกินเนาะ แต่จิตใจเราอาจจะไปคิดถึงเป้าหมายในการงานหรือเรื่องที่มันค้างคาใจในอดีตใจรเราไปอยู่กตรงนั้นเราก็เลยมูความรู้สึกตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนแค่นี้แหละเปลี่ยนแค่ว่าออพยายามหาอุบายจิตมันม า, มารู้สึกกับการที่กำลังทำในตอนนี้เนาะแต่ทำแบบนี้ไม่ทำเพื่อให้มันไม่มีความหลงเลยนะ สรางของสืบตัวแบบนี้แต่บางครั้งใจมันหลงไปคิดไปปุ่มไปแต่งเรื่องอะไรกแแ็แล้วแต่เราก็เพียงแค่รู้ว่ามันใจมันเถื่อออกไปไปคิดอดีไปคิดอนาคตไปคิดถึงสิ่งที่กาลังมองคิดถึงสิ่งที่อัรมากำลังคู่นนะ <c ười> ใจมันกำลังไปทำงานอย่างอื่นเราก็เพียงแค่รู้ว่าใจมันหลงไปทำงานอย่างอื่นเหมือนเราอ่านหนังสือ แล้วใจเราก็ไปลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เนื้อหาที่เราอ่านนะ้พอเรารู้ตัวว่าใจลอยอ่ะก็กลับมาอ่านใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะวเวลาเมื่อยกมือสร้างจังหวะเมื่อกี้ดื ม, มเลยสองสามท่าบางทีจะคิดเรื่องอื่นอ่ะพอรู้ตัวว่าดืมไม่ต้องไปเอาเหตุผลว่าทำไมถึงดืมทำไมถึงคิดเรื่องนั้นท่าต่อไปรู้สึกตัวใหม่เลยคือการกลับมารู้ที่ปัจจุบันไปเลยนะ นี่คือนั้นถ้าเราทำแบบนะี้มันจะง่ายไม่ต้องไปแก้อดีตทำปัจจุบันรู้ลงที่ปัจจุบันนะไม่ต้องไปแก้อดีตนะแค่กลับมารู้ที่ปัจจุบันอดีตจะรู้หรือไม่รู้นะอดีตนะแต่ตอนนี้เราสามารถรู้สุดตัวได้นะรู้สึดอย่างที่มาพูดเมืเ่อกี้ขยับก็รู้สึกยกก็รู้สึก หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกทำแบบนี้ไปบ่อยๆมันจะเป็นทําให้จิตเกิดความเคยชินในการรู้สึกตัวมีสติคราวนี้เมื่อเราทําอย่างอื่นจิตที่มันเคยชินในการรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจิตเคยชินกับการรู้ทันใจที่เันผล อ, ออกไปคิดคราวนี้ในชีวิตประจําวันเราก็พยายามฝึกต่อ ในการกินข้าวในการอาบน้ำในการเดินในที่ทำงานเดินไปเข้าห้องน้ำเดินในห้างมันก็เดินเหมือนตั้นนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าให้ใส่ใจอยู่กับการเดินมากขึ้นหน่อย แ, แรกๆนะมีความตั้งใจเข้ามาเพิ่มหน่อยเพราะถ้าไม่ตั้งใจเลยมันมันจะเคยชินในการหนุตั้งใจตั้งใจอะไร คือตั้งใจทำนั่นแหละตั้งใจทำกินข้าวก็ตั้งใจกินไม่ให้ตั้งใจคิดใช่ไหมกินข้าวคือตั้งใจกินรู้สึกกับการกินข้าวไม่ใช่เอาการเอานั่นนี่มาคิดไปด้วยกินไปด้วยเดินก็ตั้งใจเดินนะี่ยนะนอนก็ตั้งใจนอนวางการงานบางความคิดดูลมหายใจดูกายเคลื่อนไหวดูกายที่นอนเนี่ยนะก็ตั้งใจ นะอาศัยความตั้งใจมาเสริมความตั้งใจมั่นนั่นแหละเรียกว่าสมาธินะสมาธิสมาธิาธเราอยา่าไปแปลว่ามันสงบมันนิ่งสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งใจมั่นหลายคนมีสมาธินะแต่บางทีต้องแยกแบบนี้นะสมาธิที่เราใช้กับการงานเราเรียนหนังสือจนจบมาเราทํางานจนสําเร็จมาเรามีสมาธินะ แต่คนมีสมาธิมากเลยแต่ตอนนี้จะทําไงให้เป็นสมาธิในการกลับมารูกายรูใจมันจะเป็นสมาธิที่ให้เราเหมือนเหมือนสมาธิข้างนอกที่อ่านหนังสือเรารู้เรื่องเนื้อหาที่อ่านเรามีสมาธินะแต่ตอนนี้มาเป็นเหมือนสมาธิในการกลับมาอ่านตัวเองมาดูกายดูใจบ่อยๆเราก็จะเข้าใจเรื่องกายรื่ใจ บ, บ่อยๆกลับมานิดหนึ่งกลับมานิดหนึ่งแค่นี้แหละนะ มีสมาธิตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าไปบังคับให้มันไม่หลงหรือไปทับให้มันสงบนะแค่รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้หลงไปก็รู้ไม่หลงไปก็รู้ให้รู้แบบนี้นะถ้าทาแบบ น, นี้มันจะเกิดสมาธิเรีวยกว่าเป็นสมาธิทีละาณะเนะ่ะาษาัดเรียกว่าคณิกตสมาธิ สมาธิที่จิตตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะทีละขณะตัวอย่างเช่นคารวาจะทำสมาธิแบบเข้าชาเลยสงบนิ่งเลยไม่ได้หรอกนะเพราะอะไรเนี่ยตั้งแต่จันการถึงสุปเนี่ยทำงนานเจอเรื่องราวเจออะไรปัญหาสารพัดเนี่ยเสารอาที่จะมานั่งสมาตอนเย็นนั่งสมาธิให้มันนิ่งสงบเป็นไปไดปไป้ยากมาก นั้นเราไม่ไดาทสมาธิให้จิตมันว้นิ่งแต่เราฝึกสมาธิอยู่ในการสตินี่แหละคืออะไรคือสร้างความรู้สึกตัวตั้งจิตตั้งมั่นทีละขณะเอาแค่ทีละขณนะเนี่ยงถ้าเอานานฉันจะมีฉันจะต้องนิ่งสงบนาทีหนึ่งเนี่ยก็ยากนะเอาแค่ทีละขณะเดียวขณะหนึ่งรู้สึกตัวรู้สึกแล้วก็จบวางขณะนี้รู้สึกตัว วางรู้สึกตัวคีลักษณะแค่นี้แหละทําแค่คีดละขนาดนะง่ายไหม <c oughs> ไม่ได้ทำเย็นนะไม่ได้ทำเย็นนะทำแค่คีดละขนานะดเนี่ยลืมไปแล้วก็จำมันก็ทําใหม่ทีลักษณะคิดละขนาดทำนะแบบนี้ไป <c oughs> ๆ, ๆนี่เรียกว่าเป็นการสร้างสตินะการสร้างปฏิมันก็มีสมาธิไปนในตัวบางคน <c oughs> พูดแต่สติไม่มีสมาธิเหรอมีแต่ต้องแปลว่าสมาธิใช่ไหมไม่ว่าจิตมันตั้งมั่นจิตมันเกิดความรู้เ น, นื้อรู้ตัวอะไเนี้ยสติสมาธิตรง น, นี้นแหละมันจะทําให้เราเกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปของนามคือดูความจริงของรูปของนามตามความเป็นจริงว่ามันอะไรมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เราไม่ใช่ตัว ต, วตวนบังคับไม่ได้เห็นความจริงหรือไม่คือบางทีเราปฏิบัติเนาะทำไมมันปวดเมื่อยทําไมไมันเจ็บควาจริงก็แสดงให้เห็นว่าลูกมันไม่เทีย่ยงลูกมันเป็นทุกข์ลูกมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมเรานั่งว่าสบายและ้ะถ้าพักหนึ่งก็ไม่สบายเนยะมันไม่เทีย่ยาจิตใจก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติเองเราอยากจะได้ความสงบนะอยากจะได้ความสุขนะ มันผิดนะจิตใจมันไม่เที่ยงจิตใจมาเป็นทุกข์ทุกในที่นี้คือว่ามันบีบพันมันไม่สามารถจะอยู่ในอาการเดิมได้แม้แต่สงบนะมันก็บีบพันสงบถึงด้วยดสวยจับหนึ่งมันก็ก็คลายความสงบนั่นแหละมาสุบสักพักมันก็ไม่สุบเท่าเดิมละนี่คือมันไม่เที่ยงมันบีบพันความบีบพันนี่คือมันเป็นทุกข์ มันบังคับไม่ได้ก็ดูเลยนะข้างหน้าจะคิดอะไรรู้ไหมเ <c oughs> จ็ดชีวิดดีหรือไม่ดีรู้ไหมไมไ่ไม่รู้นะใช่ไหมเราไม่สามารถบังคับได้พดยากรณ์ได้นะตามันจะไปมอแล้วไปส น, นใจหรือเปล่าก็ไม่รู้จิตมัจะคิดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่คือดูอะเรอ๋อพอจิตมันคิดเออเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงเราก็ดูแบบนั้นเออมันคิดของมันเองมันเปลี่ยนของมันเองมันสุขมันทุกข์มันเป็นของมันเองมันรู้สึกว่าจิตงที่มันเกิดขึ้นมันเป็นของมันเองแต่มันมีตัวรู้ที่ตามรู้มันดีกินะอ๋อรู้ว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปแล้วรู้ว่าเป็นแบบนี้ไปแล้มีสติเข้าไปตามรู้เห็นเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็รู้ เปลี่ยนไปอย่างไรก็รู้มันจะเห็นมันเนีบ้บ่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ่อยเห็นตั้งเห็นตั้มไปเรื่อยฉะนั้นจิตมันเริ่มยอมรับก็เออจิตมันไม่ใช่เราจริงๆเลยมันฆ่าไม่ได้จิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละจะเอาให้มันเที่ยงนะ่ะเออเราไปผิดกฎธรรมชาติละนั่นเห็นแนบบนี้บ่อยมันจะเกิดการยอมรับเกิดการปล่อยวางเข้าใจความจริง เข้าใจความจริงเนี่ยตรงนี้ว่ามันมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรอันนี้แต่จริงแต่ถ้าภาวนาถึงที่สุดจริงๆนะมันจะเหนือกฎตารักอยู่อยู่สองข้ออันนี้พูดให้เป็นความหวังแต่เป็นความจริงนะคืออะไรอันมาอีกยังทําไม่ได้ถึงตรงนั้นนะอ่ะ แต่มันก็เป็นความบางทิดเป้าที่เราจะทำไปเลยเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถ้าปฏิบัติจนถึงมรรคผลยิบพานนะมันก็มีแต่ความสุขแล้วก็มันก็เที่ยงแต่มันไม่เปลี่ยนนะกิเลสที่เคยละแล้วมันก็ไม่กลับมานะจิตมันเกิดความเที่ยงนะจิตมันมีแต่ความสุข แต่อีกข้อหนึ่งก็เหมือนใปรักคือมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันเป็นความสุขแลวมันไม่มันไม่เป็นทุกข์มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไม่มาไม่ดีไม่ชั่วละคงที่นะเ t a b l e คงที่แล้วก็เป็นความสุขแต่ก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพัฒอาหารไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนี่คือสภาวะนิพพานซึ่ง เราภาวนาไปที่เห็นความไม่เที่ยนบ่อยๆห็นความไม่พทกบ่อยๆนะั่นแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งมันพ้นมันพ้นแล้วมันก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะแน่นอนแล้วก็มีแต่ความสุขนะ ส, วสว่างสบายแต่ก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนี่คือสภาวะถ้าเราเห็นทุกข์บ่อยๆนะ่นแหละสุดท้ายมันเป็นความสุขที่ที่เที่ยงแท้แน่นอนนะอันนี้คือสภาวะที่ พุทธศานสนาพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนตรงนี้เนาะถ้าเราภาวนาไปเหมือนก็จะค่อยๆสัมผัสกับความจริงตรงนี้ได้อืมนี่คือผู้ตั้งแต่ต้นเป็นจบนะ่าเพื่อให้เราเห็นแนวทางในการภาวนานะแต่ขณะภาวนาก็อย่าไปคิดภาวนาแบบอยากจะได้อยากจะรู้อยากจะเอานะภาวนา จ, จริงภาวนาเพื่อละ เือลดแค่เลิกสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ต้องการสิ่งที่พัฒนาคือภาวน า, าแบบเหมือนเราทำงานนะแล้วเราไปคิดแต่ว่าเมื่อไหร่มัจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะได้นะมันจะไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานนะเหมือ น, นเหมือนาทอะไรก็ไล้เราไปคิดถึงแต่ ว, วนันเงินเดือนออกคิดถึงวันที่ได้รางวัล น, นะคิดถึงวันที่เรียนจบ น, นะ มันจะเครียดแต่ให้วางตรงนั้นก่อนแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะคือมาตั้งใจทำตั้งใจตั้งสติตั้งใจตั้งสติใจมันคิดอยากจะรู้อยากจะได้รู้ทันมนะันวางไปก่อนให้เอาแค่สติกนะันนะคีดละขนาดอาการหรืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีอะไรนะให ตั้งดับเป็นผู้ดูมันเออเก็บมันเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ปวดเมื่อยก็รู้ง่วงก็รู้อืมเนี่ยรู้ไปคิดก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยรู้ตามความเป็นจริงไะนะอืมรู้ตามความเป็นจริงนะแต่ก็ขยันทําบบนัไปเรื่อยๆนะพยายามทำแบบนี้นะบ่อยๆแล้วก็ อีกาหนึ่งตัวที่มันชอบมาหลอกเราสงสัยก็รู้แต่คนจะสงสัยสงสัยเราทาถูงหรือเปล่าเนี่ยมันรู้ตัวหรือกปล่าใช่หรือปล่าเนี่ยรู้สึกตัวเนะเออเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าสงสัยนะก็รู้ว่าสงสัยถูกแต่ถ้าสงสัยวิคิดมันถูกหรือผิดเนี่ยไปอยู่ในความคิดเนี่ยผิดละสงสัยรู้ตัวว่าจิตมันกำลังสงสัยเนี่ย ถูกทำถูกหรทําคิดเนี่ยรู้ว่ากระทำนะว่ามันทําปูกัำคิดรู้ตรงเนี้ถูกปะ่ะไม่ต้องไปเอาคําตอบมาเลยก็ได้อืมณพ่อคุเขียนบอกภาวนานอะอ่า ม, มีแต่แไม่มีคําถามมีแต่คําตอบตัวเองตอบตัวเองได้อืความ ด, ด, ดีนะ หลวงพ่อพไม่มีคําถามมีแต่คตําตอบแต่เราอะไรมีคําถามต้องมีคําตอบใช่ไหม <c oughs> คือมันมันจิตตอนแรกนะมีคามําถามเมื่อมีคําถามแล้วก็มีคําตอบแต่ตอบยังไงเดี๋ยวก็เที่ยวถามแต่มาถามอาจารตุ้มถามว่ันนั้นถามวันนี้นะต้องมาเปรียบเทียบมาเจอพระใหม่เนะ <c oughs> ท่านก็เออ อาจารย์มีเวลาหรือเปล่าผมจะไปจะถามนะะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถามนะผมเขียนต้องถามไว้ในนะสตมดมันติดต้องบอกไปถามอะไรคนและวมาถามกันมาเดือนมาก็บอกนะะมารู้อยู่แล้วว่าต่อไปคุณก็ไม่เชื่อหรอกแต่ตอไปสันหน่อยก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ถามด้วยความสงสัยหาคำตอบไปได้เปรียบเทียบไปได้แต่ภาวนาโดยจริง เมื่อเราเห็นจิตมันสงสัยคําถามมันจบไปนะ่ะก็ไม่จำเป็นต้องมีคําตอบใช่ไหมมันคือความหมดความมันรู้ว่าความสงสัยเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งของจิตความสงสัยมันจบไปไม่มีคําตอบเหมือนบอกเหมือนเราอิ่นแล้วอาหารก็ไม่จนเป็นแต่ถ้าเมื่อไหรหิวก็ต้องเนี่ยต้องกินเใี่ยเมื่อนมีคําถามเนี่ยต้อง อยากได้อะไรก็มาเหมือนเรารู้สึกคล่องก็ต้องหาอะไรมาเติมเต็มสิ่งที่เราค่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่มีความคล่องไม่มีคําถามมันก็หมดความสงสัยแต่ใหม่ๆจะไม่ให้ไม่สงสัยเลยก็ไม่ได้นะแต่ให้ให้ฝึกดูว่ามันสงสัยบ้างแล้วก็ฝึกวางมันแล้วก็ลองกลับมารู้สึกแบบนี้เด็กก่อนดซูซิเราจะเห็นว่าสงสัยเองมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดบ้างดับบ้าง บางคำถามก็เรารู้สึกเอ๊ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะจริงๆนะหลายๆอย่างนะไม่รู้ก็ก็ไม่เป็นไรนะบางทีแต่บางอย่างนอกจากว่าถ้าเราภาวนานานๆที่เราสังเกตแบบนี้ถ้าภาวนานานๆมันมันรู้สึกแน่นรู้สึกเครียด ร, รู้สึกจิตมันหนักหนักมัวมัวแบบติดติดแบบนั้นไอ้แบบนั้นก็ คนสงสัยว่าคนทําผิดจะได้เปลี่ยนวิธีการทําำนะพอทำไปนานาแล้วให้เราสังเกตเนี่ยการสังเกตคือคือสังเกตดูอาการที่มันเกิดขึ้นในใจหรือบางทีก็ส่งผลทางกายพอมันจิตมันแน่นมันเครดอาจจะทําให้การหายใจอึดอัดแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ส่งผลกับกายถ้ารู้สึกว่าภาวนาไปรได้เป็นอย่างเงี้อืมก็ให้เอ่า ให้รู้ละเออมันเริ่มทำกิดละการสังเกตตัวเองคือแบบนะแต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆก็รู้บ้างหลงบ้างเออจิตมันก็อมีรู้มีหลงอะไรนะี่ยจิตก็พอพอมันหลงไปคิดมันก็จมไปคอมันรู้ตัวมันก็ปวดออกมาถ้าสังเกตเออเอแบบเนี้เราจะสังเกตเอ้เออเนี่ยถูกปะเออภาวนาไปแล้วมันไปคิดมันก็หนัก พอมันรู้ตัวมันก็บุ๊บเนะี้ยมันจะเห็นจิตใหม่ๆเนี่ยที่ว่ามันมีไปมีมามันมีออกข้างนอกมีเข้าข้างในมันมีหลงไปมีรู้ตัวใหม่ๆเป็นแบบนั้นแหละธรรมดาเลยเราจะเห็นอ๋อเดี๋ยวมันก็ไปมันก็เบามันก็มาอะไรนะนี่คือเป็นธรรมชาติเราจะรู้ด้วยตัวเองถ้าสังเกตเองได้นะอ๋อแน่นๆหนักๆผิดระอืม แต่พอเออรู้ตัวสบายสบายแบบนี้อยู่เออก็สูกอยู่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เ อ, อ๊ะไม่ใช่มันว่างตลอดเป็นทั้งวันถ้าว่างทั้งวันนี้ก็ต้องเหตอะเ อ, อ, เ อ, อทําไมไม่คิดอืมใช่ไหมแต่จริงมันก็เดินคิดอะไรคิดว่าทําไมไม่คิดอแต่เราไม่รู้นะแต่มันก็แต่ถ้าว่างเลยไม่เห็นไม่ปุ้มไม่แต่งเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นสร้างโค้ที่มันง้องว่างแล้วก็ จิตก็ไปอยู่กับสภ า, าะวะภพภูมิที่มันทราบไปนะบางคนทําสมาธิบางทีมันจะเป็นแบบนั้นแต่เราผูสติ่นนะรู้แบบเนีน้ไม่ห้ามความคิดแต่ไม่ไม่ปล่อยใจิตใจไหลไปกับความคิดนานๆให้เรียกสติกลับมากับกับการกระทำกับการเคลื่อนไหว น, นี่คือเรียกว่าสร้างสติให้มันรู้นึก ร, ร, รตัวนะต่อไปสติมันจะเข้าไป เห็นความจริงของกายของใจโดยเห็นเป็นใดรับนั่นแหละมันจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยจะทำให้เราปล่อยวางปัญญาทำให้เราเห็นถูกว่ากายและใจมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงแค่าอาการที่เขาเกิดขึ้นเนาะก็พูดให้ฟังให้อฏิบายให้เข้าใจเนาะก็แต่จะเข้าใจจริงๆก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้วก็ สังเกตตัวเองบ่อยๆนะนะนะก็ฝากไว้